อย่างคนทั่วไปเนี่ยทนทำงานวันละแปชั่วโมงสิบชั่วโมงเขาก็ทนได้แต่มันหมายขาขอแยกรูปแยกนามเป็นแต่ด้วยขันติโดยสัญชตาติญาณเกิดโดยมานะเกิดมานะที่เอาชนะเนี่ยเอาชนะโดยสัญชตาติญาณอันนี้เรียกว่าตัวสมาธิตรง น, นั้นพอไม่มีสติปัญญายาณเข้าไปรู้มันเปลี่ยนมาเป็นไม่พอใจแต่มีมานะเพราะฉะนั้นต้นตอของมานะจึงมาจาก ทุกขังมาจากโทสะนะแต่มีความอดทนมันเข้าไปที่เอาชนะไอ้ความทุกตัวนั้นได้จือเป็นมานะเราะฉนนั้นเวลาเอาไปใช้ในการงานคนนี้มีมานะอดทนดีนะใช่ไหมเอาใช้มีวิริยะมีมานะมีความอดทนก็คือว่าทนต่อความเจ็บปวดนั้นได้แต่เอาเอ า, เอามาใช้เป็นคุณธรรมเบื้องต้นหรือว่าขันตินะเอาละทีนี้ตัวศีลเปลี่ยนมาเป็น ตัวศีลก็เปลี่ยนจากตัวตัวตั ว, ต, วตัวสติพอมีสติรู้ตามาความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีสติตามรู้ทำให้ร่างกายเนี่ยจิตใจทำให้จิตใจไม่แปรปรวนไปตามอาการสุขทุกข์นั้นๆัจิตใจยังปกติอยู่ถึงแม้พอใจไม่พอใ จ, อใจหรืออาการไม่รู้ก็ตามจิตยังปกติอยู่อาการศีลก็เกิดขึ้นตรงนี้เพราะศีลโดยปรมัติไปว่าปกติ แต่ศีลดยสมมติแปลว่าข้อห้ามแปลว่าวินัยแปลว่าข้อคนเว้นคนละเว้นแปลว่ากติกาเือ ก, กฎกติกาถ้าโดยสมมติแต่ถ้าปรมัตดแปลว่าความรู้สึกที่ปกติศี น, ะนจึงแปลว่าปกตินะหมายของว่าจิตไม่ปล่อยให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปกับอาการของพอใจไม่พอใจหรือไม่รู้เพราะฉะนั้นลักษณะศีลก็พัฒนามาจากตัว อันนี้จังเรา ม, มาสุเขเวทนามาโทมณสเวทนาแทนที่จะเปลี่ยนไปเป็นอภิชามาเปลี่ยนมาเป็นศีลนะเป็นมาเป็นศีลแล้วก็ตัวทุกขังโดยสั ญ, ญญาณของรูปทั้งหลายมันก็เป็นทุกข์แต่พอสติพอมาเข้ากับรูปที่เป็นมีวิญญาณคองหรือว่าทุกเขเวทนาแปลว่าทุ ก, ทกเขเวทนาทความรู้สึกไม่สบาย แล้วใจมีสติมีตัวรู้โดยปัญญายาณขึ้นมาโดยการพัฒนาจากสตินี่เองมาเป็นปัญญายาณ<ๆ>ก็ไปตามรู้ความแยกตัวนี้ว่าอ๋อเวทนาเนี่ยกับทุกข์คนอ่านเวทนาคือความรู้สึกทางรับรู้แล้วก็ทุกข์เป็นรูปก็แยกตัวนี้ออกเวทนาตัวนั้นก็ไม่เป็นทุกข์ตัวนี้เป็นสมาธิละนะ ทุกโดนะก็เปลี่ยนเป็นมาธิทุกเวทนาก็เปลี่ยนมาเป็นสมาธิแทนที่จะไปเป็นโทมนัสพอปรับโทมนัสให้เป็นสมาธินี่ได้ก็โสมโทมนัสก็ไม่ไม่เกิดเปลี่ยนเป็นสมาธิศีลตัวสุขุทาที่จะเปลี่ยนเป็นโสมนัสหรือเปลี่ยนเป็น อภิชาโสมนัสตนู้นก็มาเปลี่ยนไปเป็นตัวศีลแทนโทมานัสตนู้นก็เปลี่ยนมาเป็นตัวสมาธิแทนนะทีนี้ในไฟล์ของตัวอนัตตาพอมีสติตามรู้ระหว่างความเปลี่ยนแปลงระหว่างสุขกระทุกอันนี้จังกระทุกขังที่มันเกิดตรงนั้นแล้วก็ไปตามรู้เข้าใจขบวนการว่าอนนี้จังก้เกิดขุขังอย่างไรนะ แล้วก็จิตของเราก็ไปเข้าใจขบวนการ น, นี้ตรงนี้อนัตตาแทนที่จะเปลี่ยนมาเป็นอุเปกขาเวทนามันก็เปลี่ยนมาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสีสันนิัญญาก็เกิดจากเวทนาทั้งสา ม, มสมนัสเวทนาโทมณัสเวทน า, ทนาและอุเปกขาเวทนานะแต่ว่าในภาคปฏิบัติจะมีสองคืออวิชชาและโทมณัตเพราะไอ้ตัวอนัตตามันเกิดทลธรามรู้อวิชชาและโทมณัตตัวปัญญาก็เกิดขึ้นแทนก็เกิดปัญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้นในในในวงจรทั้งความรู้สึกมันมีสองขั้วอภิชาและโทมนัตแต่ตามรู้สัมพันธ์ความสองขั้วนี้เกิดขึ้นอย่างไรมันกลายมาเป็นปัญญาเป็นตัวที่สมก็เป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแทนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สติสมาธิปัญญาพูดในแง่ของเหตุพอพูดถึงศีลสมาธิปัญญาพูดในแง่ของผลสติสมาธิปัญญาพูดในแง่ของแง่ของกึง่งเป็นเป็นปรมัติ เอยสีใช่ไหปัญญาพูดในแง่ของสมมติที่เป็นปริยัตนะครับสมาธิหลวงพ่อเทียนแปว่าแปลว่าตั้งมั่นตั้งใจมั่นเบิงซื่อๆนะี่ยตั้งใจซื่อตั้งตั้งใจเบิงซื่อๆนะี่ยวพ่อเทียนแปลว่าคว่ารู้ซื่อๆนี่คือสมาธินะครับเขารู้นี่สตินะรู้ซื่อๆสมาธิรู้รู้แล้วก็ทันรู้เท่ารู้ทันเนี่ยเป็นปัญญาละ รู้ซื่รู้รู้แจ้งรู้จริงรู้จำรู้จักนัก็ดีเบาก็ดีคือเวทนาว่าที่มันเปลี่ยนไปจากหนักเป็นเบาก็คือกฎของใครลักเลยใช่ครับตัวที่ขนาดมันเปลี่ยนไปาี่เปลี่ยนเปนที่จังใช่ไหนักไม่ไม่ไม่ใช่ทุกใช่ถ้าเป็นรูป แต่เป็นรูปถ้าอยู่เฉพาะมันไม่ใช่ทุกมันเป็นอาการแปรปวนเฉยแต่ถ้าว่าทุกในส่วนใหญ่คือจิตไปรับรู้ตรงนั้นเป็นทุกขเวทนาก็าจะมาเป็นโสมนัสละว่างั้นเถอะแต่ถ้ามันทุกตัวนหนักทางกายนี่นะถ้ามันทะลุถึงจิตก็ถือว่าเป็นทุทกขเวทนาทางจิตแต่ถ้ามันอยู่แค่กายก็ยังไม่ถือว่าทุกเพราะว่ามันเป็นสภาวะของแ ป, ปรปวนมันทนได้อยู่แค่ทนได้อยู่นะแต่พอจิตทนไม่ได้นี่เป็นโทมนัสละ แต่ถ้าร่างกายทนได้ต้องไม่แปรปวนทะลุไปถึงจิตเพราะอะไรเพราะมีตัวสติเข้าไปจัดการก่อนสติทำหน้าที่ในการใช้เอาขันติมีความบดทนนะเพราะนั้นตรงนี้น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่คนไม่ค่อยสนใจในรายละเอียด <c oughs> อันนี้จังเปลี่ยนเป็นทุกขังได้ยังไงทุกขังเปลี่ยนเป็นอ น, นัตตาได้อย่างไรนะ แต่ความจริงเนี่ยในอนิจจังมีทุกขังและมีอนัตตาอยู่ในทุกขังมีอนิจจังและอนัตตาอยู่และในอนัตตามีทั้งอนิจจังและทุกขังอยู่เพราะมันเป็นบูรณาการนึงอาศัยเขาเรียกเป็นเหตุเป็นปันจจัยต่อเนื่องเนี่ยแล้ได้หยิบตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาพูดกับหมายคว่าพวกอีกสองตัวมาด้วยแต่พอมาถึงตัวอของนามมารูปหรือตัวตัวนามตัวตัวนา ม, ต, นามตัวรูปแล้วเนี่ย บางทีเป็นอนิจจังทุกขังอาจจะไม่มา อ, าอนัตตาก็ไม่มาคือเป็นทุกขังอนิจจังเพราะหมายความว่ามันมีตัวสติคอยสกัดกั้นอยู่ตามรู้เท่าทันอยู่ก็สามารถโฟกัสอยู่แค่นั้นได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าหาว่าเข้าถึงรายละเอียดตัวนี้ปับ๊บละเอยียดตามรู้ไปถึงตัวคีเลสขั้นหยาบกลางละเอียดไปเนี่ยก็ไม่อยากละพอจับต้นมันได้ละ อย่างที่ผมเรียงไปวั น, นก่อนว่าตัวทุกข์ขังเดินเนี่ยพอมาอยู่กับกายเขาเรียกว่าทุกข์พอมาอยู่กับใจเขาเรียกว่าโทมนัสนะในขันยามนะไอ้โทมนัสตัวนี้พอไม่มีสติกํากับอีกเปลี่ยนเป็ น, ป น, ปนตัวกลัวตัวปฏิฆนะเป็นตัวปฏิฆะตัวหงุดหงิดละตัวอืดอั ขัดแย้งแต่ตัวปฏิฆาถ้าไม่มีสติตามรู้อีกมันขยายออกมาเป็นโทสะใจเสียละโทสะออกมาเป็นโกรธาขุนเขี้ยวโกรธะเข้าไปเปลี่ยนอีกเปลี่ยนพืชออกไปเป็นตัวโทตัวอคติตัวโทสาคติแล้วมันมาเปลี่ยนเป็นมานะนี่เปลี่ยนเป็นมานะตัวโทมันมานะมาจากตระกุล ของโทสะนั่นเองเมื่อโทสะก็เปลี่ยนมาเจ็ด ก, กุ่ของทุกขังที่ไม่มีสติตามรู้ก็จะไหลลื่นไ ป, ไปเรื่อยๆจากโทสะเป็นปฏิฆะเป็นโทสะแล้วก็เป็นอัตตาอั ต, ตาวาทุปาทานมานะก็เป็นอัติตตมานะหรือเป็นอั ต, ตาวาทุปาทานแล้วไปเปลี่ยนเป็นภาวาสวะตัวตัวทุกขังตัวนี้ในตระ ก, กูลของมันนะ ยาวลากไปตรงนั้นแต่แต่ว่าถ้าเราเอาไปาขยายตามรูปศัพท์ของในขันห้าเช่นคาว่าทุกขโทรมรัสานังทุกขโทรมรัสาอุปายาสาเป็นทุกขเป็นทุกขทั้งหมดเลยตนะั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายการ สุขเศร้าเสียใจการทุกข์ทุ่มระทมใจการไม่ได้อย่างอาใจและการพัดผักจากของที่รักการที่ประสบปรสบสิ่งที่ไม่พอใจกันจนถึงเข้าไปสําคัญขันห้าเป็นตัวเราในตระกูลของตันหาและอุปท า, านอุปท า, านในในตระกูลเนี่ยอุปท า, านมีในตระกูลของราคานะการอุปท า, านแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวอัตวะทุกาทาน เมื่อสำคัญตัวผิดก็เป็นอัตวาทุปทานจะไปเป็นภาวาสะวะแยกย่อยไปเรื่อยๆแต่ในต้นตระกูลก็ไปจากอนิจจังทุกขังนาตาเนี่ยถามว่าอนิจจังทุกขังนั่นจงมาจากไหนที่ย้อนขึ้นไปวันก่อ น, นใช่ไหมอนิจจังก็คือการเกิดแล้วก็อนาตาคือการดับเพราะนั้นต้นกาเนิดจริงๆไม่มีควาว่าทุกขังนะเพราะมันเกิดอย่างสมดุล น, นะ เกิดการเกิดกับการดับสมดุลกันไม่มีทุกขังแต่เมื่อใดการเกิดมากกว่าดับดับมากกว่าเกิดทุกขังเกิดละเพราะการเกิดดับไม่สมดุลปั๊บจึงก่อให้เกิดไตรลักไงเพราะไตรลักเกิดเพราะการจุติก็อุบัติไม่สมดุลจึงมาเกิดทุกขังแต่จุติก็บัตสมดุลปั๊บเลยกลับไปสู่ที่เดิมเพราะนั้นก็รู้การเกิดดับเราก็จะไม่ถูกตัวไตรลักมาครอบมือจิตเพราะเราจะไปปรับตัวเกิดกับตัวดับให้สมดุลกันตัวเกิดก็คือ พอใจตัวดับคือตัวไม่พอใจหรือตัวดับเป็นตัวพอใจตัวเกิดเป็นตัวไม่พอใจถ้าตัวพอใจไม่พอใจมันทันกันตัวเกิดคือขาสติตัวดับคือการมีสติตัวเกิดคือตัวหลงตัวดับคือตัวรู้พอรู้กับหลงสมดุลกันปั๊บมันมันก็เสมอกันเป็นแสงสว่างที่เปลี่ยนเป็นเนกาติโพคับโพสิทิโพเนี่ยเมื่อการ ขั้วบวกก็บขัข้วลบสมดุลก็ปั๊บเป็นแสงสว่างเมื่อตามรู้การเกิดดับเท่ากันปั๊บเป็นตัวรู้ขึ้นทันทีเลยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องไปถึงนู่นเลยตรงนี้ผมว่าละเอียดพอนะ <c oughs> นะเพราะจาจับต้นตอตั้งแต่ว่าการปฏิบัติจะมุ่งเข้าไปสัมผัสการเกิดดับเพื่อจะรู้ต้นตอของที่มาของทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพอสัมผัสการเกิดดับปับ๊บก็จะเกิดการ แล้เบิดทางจิตทันทีแล้วว่าอวิชาก็สลายเรื่าการดับสลายอวิชาเพราะเห็นกันอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแค่นี้เองไะมาจากการเกิดดับนี่เองไอเราไปหลงเพราะไม่รู้สภาวะการเกิดดับปั๊บตัวทุกขจึงเกิดขึ้นเพราะมันจะไปนิยมการเกิดมากกว่าการดับมันก็จะเกินการสมดุลทุกขงังการเกิดนําไปสู่ทุกขงังแล้คืออั น, นิจ้จำทุกขงังดังนั้นตรงนี้ เป็นเรื่องที่โอ้ถ้าพูดถึงเรื่องที่พุทธยาตรัสรู้ด้วยปัญญาตรงนี้ว่าเป็นสิ่งมหาจรันนะ์นั้นถ้าใครไม่มีความศรัทธาไม่มีความเพียรก็จะไม่มีปัญญาเห็นตรงนี้ได้เหมือนกันก็จะเหมารวมไปทั้งหมดเลยก็จะคำหาอะที่นี้คำหาความอดีคำหาเท่าไหร่ก็ยากเพราะมันเป็นจุดละเอียดเกินกว่าอ่า ปุถุชนคนธรมรมดาที่จะมารู้ได้ก็ต้องมาทำความเพียรเพื่อจะย่อยแยกระหว่างตัวทุกขังนิจังอนัตตาเห็นให้ชัดว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรพอแยกเห็นอย่างนี้ชัดปั๊บความสำคัญมั่นหมายในอัตตาตัวตนที่มันเคยเหนียวแน่นมัน ก, มนก็มันก็ถูกเขาเรียกวอะไรถูกสลายหรือถูกเจือจาง นะอุปทานในตัวตนก็จะเฉียจางพราะมารู้เห็นตามความจริงว่าอันนี้เป็นก้อนของอนนีจังทุกขังนัตตา น, นั่นเองมันไม่ใช่เราสักหน่อยแต่เราไปเข้าใจผิดว่าเป็นเรามันเคยสาคัญตัวตนเกิดขึ้นแต่พอไปเห็นหลักของอนิีจังทุกขังนั้นตาเ น, นี้ปั๊บมันก็ไปสลายความสักยะทิฏฐิเดลมิฉายทิฏฐิให้หายไปความเข้าใจผิดใหหายไปเป็นความเข้าใจถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วมันก็ไม่เป็นที่ตั้งของความอยากและความยึด เป็นที่ตั้งของตันถาประานนะตันหาประานไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้เพราะมันเห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อนี่มันความาเกี่ยวพันกันลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นขบวนการเรืองการเกิดอันนี้จำทุกขังหน้าตาเป็นขบวนการเรองการเกิดดับเท่านั้นแต่ถ้าว่าคนรู้ด้วยหลักปริยัติไม่จะทําใจไม่ได้เพราะมันยังไม่เห็นสภาวะการเกิดดับที่แท้จริงจิตก็จะหลงไปการเกิดมันก็ไม่ได้ดูการดับล้ ไม่ได้พอบุณ ต, ตัวตัวรู้ที่เป็นตัวดับให้เกิดขึ้นมันก็ทุกวญญาข้ามได้ทีนี้อย่างนี้จะจะใช้คำพูดถูกไหม<อ>พอไม่พอใจก็คือว่าเป็นทั้งเกิดทั้งดับออแน่นอนอะ่ะเป็นอ๋อสติเข้าไปรู้ก็ก็ก็เกิดตัวรู้ปัญญาครับปัร พอทุกข์เกิดขึ้นตัวเกิดมันมากกว่านั่นเองมันทีเกินทุกข์ขังข้ามันแรงมันมันเกินสมดุลยังไงพอไว้พอใจก็เป็นตัวเกิดเลยเข้าเป็นตัวเกิดพอสติเข้าไปรู้ทันก็อ่าไปสมดุล เ, เอาตัวดับอ่าเป็นตัวดับทันทีอ่าทุกข์กับไ ม, ไม่ไม่ปรากฏ<ม>เพราะฉะนั้นผมนึกถึงหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นความรู้มาจากศาสนาขงพระุทธเจ้าในขอ้นขอบวกข้อลบเล่นะมันสมดุลกับพอดีมันเกิดแสงสว่างแต่ขัวไหนมากนิดหน่อย ก็จะมีปัญหาละไม่ติดเท่ากับพิบพิพก็ช็อตเหอนกันเถอะแต่นี่เกิดแสงสว่างเพราะความสมดุลระหว่างอันนี้ตัวอย่างของการเกิดดับที่เราเห็นที่เป็นวัตถุนะในรูกประธรรมเพราะฉะนั้นว่าเรากส็สมมุติว่าจิตเนี่ยเกิดแสงสว่างเกิดโพรงขึ้นมาเพราะความสมดุลระหว่างพระพุทธเจ้าไปเห็นการเพราะว่าเกิดกับดับนี่แหละแล้วเห็นความสมดุลของธรรมชาติเขาทํางานต้นต่อจริงๆธรรมชาติเขาทํางานกันอย่างสมดุล น, นะ เพราะว่ารูปว่านามเนี่ยโดยทําหน้าที่เขาเขาเกิดดับได้เสมอกันเขายึงดําลงอยู่ได้แต่เมื่อใดการเกิดการดับของกายของจิตนี่มันเกินกว่ากันแล้วก็ยอยู่ไม่ได้ละก็ต้องสลายเหมือนไฟเนี่ยถ้าการเกิดการลบกันบมดไม่เท่ากันมันต้องดับตามกฎของมันเลยเพราะฉะนั้นกฎนี้เป็นกฎนี่แน่น อ, อนตายตัวมากเลยที่ท่านจัดไว้ในธรรมนิยามนะเราจะเกิดขึ้นแร้วไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วอ แต่ว่าท่านเกิดขึ้นมาก็วิวรติวิพาชติมาเปิดเผยมาจำแนกจแจกแจงอุตานีกโลติทำให้เปิดของเป็นหงายของที่คว่วงทำมาประกาศให้ธรรมนิยามชัดเจนมากเลยตรงนั้นนั้นเองถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ได้ผมว่าเราสามารถติดตามการขยายตัวของธรรมะทั้งหมดแป0หมืนสี่พันล้รขัเนี่ยโดยไม่ยากเลยมารู้ต้นตอของมันทุกเกิดขึ้น ทุกตั้งอยู่ทุกอตอนนี้ยังไม่มีสติพอดับไปนี่คือสติเข้าไปแล้วใช่ไหมตัวสุดท้ายความจริงท่านจะบอกว่าทุก์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะไม่เห็นการเกิดดับทุกจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแทนพอเห็นการเกิดดับปับ๊บทุกไม่มีที่เกิดจะเอาอะไรมาเกิดบดับเมื่อไม่มีทุก์ไม่มีการเกิดดับเขาเลยว่าเออที่สิ้นทุกคือสิ้นการเกิดดับ เกิดการเกิดดับของลักษณะของรูปธรรมนามธรรมนะแต่การเกิดดับของโดยโกฎของธรรมชาติก็ยังมีอยู่ถึงแม้เราจะไม่อยู่แล้วก็ตามการเกิดดับของทํางานของธรรมชาติแต่เมื่อการเกิดดับนั้นมันมีตัวไม่รู้เข้าไปบวกนะต้องอวิชชาเข้าไปบวกอยู่การเกิดดับก็เป็นการเกิดดับของทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งทุกข์นั้นดับไปถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่มีอะไรเกิดไ ม, ไม่มีอะไรดับใช่ไหมทางบาลีท่านว่าเนี่ย เพราะว่าอะไรเพราะมันไวเกินกว่าที่จะไปตามรู้ทันที่คนทั่วไปต้องที่ทุกเพราะว่ามันไม่ทันไม่รู้เท่าทันการเกิดดับนั่นเองส ต, สติไม่พอครับสติไม่พอตัวรู้ไม่พอเรก็ต้องมาพ่อคูนสติอย่างเดียวทีวนี้แต่พระเกจิอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงหลายท่านพูดตรงกันว่าสติทําเท่าไหร่ก็ไม่เกินท่านว่าแต่ถ้าสติเป็นของอุปท า, านธนหาวทานเกินได้เขาเรียกปักไคหัะ ถ้าสติเกินโดยความโดยอำนาจของวิชาเป็นวิปัสสนูเพราะปัจไหาเนี่ยเป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวหนึ่งของวิปัสสนูใช่ไหมองค์ประกอบหนึ่งตั้งแต่อะไรตั้งแต่อธิโมกมานะมันมีตัวปัจไหานี้ตัวหนึ่งว่าสติเกินกําลังนั้นเพราะสติเกิดมาจากาตัวสัญชายญานด้วยความอยากทําเยอะเกินไปค ว, ความเพียรเยอะเกินไปสติมันเกินเขาเรียกว่าสติเฟื่องอะไรก็แล้วแต่คทำเอา อ่าสติที่ทําเอาเนี่ยไม่ใช่สติที่เกิดโดยโดยองคธรรมสติที่ทำเอาทำเอาคราับสติวิปาก็เป็นตัวประกอบหนึ่งในวิปัสสนูตัวนั้นอย่าให้มีตัวพยยว่อใหญ่เบนเข้าไปนะ่ยให้มันมีตัวรู้เฉยๆมันก็มันก็ง่ายเยอะเลยแหละหหนลวงพ่อเทียนบอกยิ่งฟุ้งยิ่งดียิ่งฟุ้งมากก็รู้มากคนว่าเออพูดแบบคนใหม่สับสนมันก็นกนเอจะเอาไงบอกให้ ใ ห, ใ, หให้ตัดความคิดอันนี้บอกว่าให้คิดเยอะๆยิ่งดีทีคิดยิงรู้นะอันนี้นนนท่านพูดในความหมายของวิปัสสนาเฉพาะเหตุเฉพาะคนนะนะไม่ใช่ทุกคนณจิตที่มันมีอวิชชาที่ไปสร้างปัญหานะแต่ถ้าจิตเป็นวิชาเนี่ยก็ไม่สร้างเหมือนกันไปจัดระเบียบให้กายได้ดีซะอีกถ้าว่าจิตมีปัญหาต้องต้องถามต่อไปว่าจิตประกอบด้วยอะไรวิชาหรืออวิชาใช่ไหม เพรนั้นในวิสังขารดยนั่นน่ะคำว่าวิสังขารหรืออสังกัดธรรมวิสังขาระคาตังจิตตังตันหานังขยมมัจจาจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้นั่นน่ะจิตที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีปัญหาแต่จิตที่มันมีปัญหาคือจิตปรุงแต่งไงจิตที่เป็นสังขารไม่ใช่จิตที่สังขารคิดว่าน่าจะแจ่มแจ้งแต่ผมก็มารู้ทีหลังว่าเอ๊ะไอ้มาณาทั้งเก้านี่เขาแจกมาจากอะไร มาอ๋อรู้ที่หลังเพราะเวทนาทั้ง9้าที่เราสวดเวทนาที่มีอมิตรเวทนาที่ไม่มีอมิตรนะรวมแล้วเป็นเก้าเวทนาทั้งเก้าคือพอเรารู้ว่าไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันมาจากต้นตอของข อ, ง อ, งอโทสะใช่ไหมโทสะเปลี่นปิณมานะมานะก็สําคัญว่าตัวเสมอเขาสมมติว่าตัวดีกว่าเขาสําคัญว่าตัวแย่กว่าเขาท่านน้องเนี่ย มันก็มาจากเวทนาท้งกายที่เรารู้สึกชอบไม่ชอบเฉยเฉยถ้าถ้ารู้สึกชอบก็สําสคัญตัวว่าดีกว่าถ้ารู้สึกไม่ชอบก็สําสคัญตั ว, วแย่กว่าถ้ารู้สึกเฉยเฉยก็สําสคัญตัวว่าเสมอเขาอะไรน้องเนี่ยแล้วก็มาพัน